วันนี้ท่านทั้งหลายได้มาเยี่ยมมักตาบรรตัทางโอกาสที่เหมาะสมมาเยี่ยมผู้ป่วยที่คุณเพาด้วยคุณเพาเการักษาตัวที่โรงพยาบาลก็ได้รักษามาเต็มกำลังความสามารถจากนั้นก็มารักษาที่นี่ พอพูดมางตรงนี้ก่อนเหมือนกับว่าวัดป่ามันตา น, นีเป็นโรงพยาบาลเป้หมายทีย่น้องทรรมโอสถคือมาเพื่ออบรมจิตใจที่เรียกว่าภาวนาและฟังคำอบรมของพระท่านสแสดงและรักษาจิตใจ อยู่เป็นประจําในยาบททั้งสี่สนยาก็ทานไปส่วนจิตก็นราทานไปอีกเหมือนกันทานธรรมะเข้าไปไปยินเนฟ้ฟังจากครูอาจารย์ท่านสอนบ้างอบรมตนอยู่โดยเฉพาะที่เรียกว่าจิตภาวนาบ้างมีเรียกว่ารักษาจิตด้วยธรรม กายเรามีการรักษากันแต่จิตใจไม่ค่อยมีการรักษาเพราะฉะนั้นแม้ความสุขกายสบายใจของเายัางพอมีอยู่บ้างแต่ความสุขทางด้านจิตใจไม่ค่อยมีส่วนใหญ่ไม่มีแต่ส่วนย่อยมีส่วนกายนี้แม่จะมองเห็นด้วยตาเนื้อว่าเป็นสิ่งที่แต่โตพอทั้งปวนจิตไม่มองเห็นก็ตาม แต่กายก็จะต้องเป็นส่วนย่อยของจิตใจจิตใจเป็นส่วนใหญ่เรียกว่าเรื่องใหญ่แต่แทนที่เราจะได้บำบัดรักษาจิตใจขึ้นเป็นส่วนใหญ่เป็นรากฐานสําคัญของส่วนร่างกายไม่ค่อยจะมนการเลี้แล ก, กันหากว่าจิตใจนี้เป็นเช่นเดียวกับร่างกายแล้วต้องแห ล, เลกเหลวไปนานแล้วไม่สามารถที่จะครองร่างกายมาได้จนถึงขนาดนี้เลยแต่เพราะจิตมีความ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 อยู่ภายในตัวเองแล้วแม้จะระบายออกทางกายทางวาจาก็ถูกต้องโดยเหตุโดยผลทำการกระทำอะไรไม่ค่อยผิดพ่าใจก็มีความสุขกายก็เป็นปกติของกายแตาว่าจะเกิดโรคภัยไข้เจ็บขึ้นบ้างก็ไม่นเดือดร้อนวุ่นวายกระเทินเข้าไปถึงใจจนกลายเป็นโรคชนิดหนึ่งขึ้นมาการอบรมธรรมะเข้าสู่จิตใจจึงเป็นความจาเป็นอย่างยิ่ง ท่านสอนไว้วอาพระพุทธศาสนาพุทธะก็แปลว่าผู้รู้ไม่มีใครที่จะรู้ยิ่งเห็นจริงประเสร็ยิ่งกว่าพระพุทธเจ้ทาที่เป็นเจ้าของศาสนาการต่อมาแต่ละประโยคแต่ละคำนี้ร่วนแรกตั้งแต่เป็นสี่งที่ชอบโดยความจริงทั้งนั้นไม่มีผิดพลาดข้าเคลื่อนเหมือนอย่างสามัญชนทั้งหลายพูดกันธรรมดาสามัญชนเราพูดกันนี่พูดไม่มีเหตุมี ไม่ค่อยมีเหตุมีผลไม่มีขอบเขตกว้างแคบลึกเกินอยากละเอียดว่ากันไปแล้วแต่น้าลายจะทําฟุงฟ้งไปได้หมดวันนั่งคำกว่าเป็นไปได้แต่หาประโยชน์ไม่ค่อยได้และความสนใจที่จะใคร์ควรตามคําพูดคําจาทั้งของเขาท้องเราเพื่อเอาผลประโยชน์นาวัตถุปฏิบัติให้เป็นความสุขสบายทําด้านจิตใจและหน้าที่การงานไม่ค่อยมี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 ในรับความถูกความสบายเหตุใดจึงต้องเทีเ่ยวแจกเทีเ่ยวแจงเที่ยวแนะนำสอสอนก็เพราะว่าสัตว์โลกมันโง่สิ่งที่ตายเห็นอยู่ก็ผิดหูได้ยินอยู่ก็ผิดอะไรไล่ที่สัมผัสสัมพันมาคอยติตะคิดไปเรื่องเป็นความถิกทั้งนั้นเนื่องจากความโง่ของเราอยู่ภายใ น, ในใ จ, ใจิตใจพาให้ผิดสิ่งที่เห็นอยู่รู้อยู่ก็ผิดไปได้ไม่กล้าท่านชมเห็นเหตุเห็นผลของสัตว์โลกเป็นอย่างนี้ ท็นเน้นนำพระโอวาทที่ถูกต้องมีงามมาสั่งสอนที่เรียกว่าศาสนาและศาสนานั้นท่านสอนเพื่อใครนอกจากเพื่อเราเท่านั้นพระองค์เองก็เป็นผู้เบิสบุดถึงมีมุตพนิพานแล้วตั้งแต่วันเกับสรู้ที่แรกคอยมีความจำเป็นอะไรที่จะต้องเที่ยวหาแบ่งสรรตันส่วนออกจากบรรดาสัตว์โลกทั้งหลายจากการสั่งสอนอบรมไม่มี แม่แม้เช่นั้นก็ภาระใครในโลกนี้จะสู้วาภาระของพระพุทธเจ้าได้เราเพียงทําการทํางานเพีเล็กน้อยั บ, บุนอุบอีปุบิบวันยั่งค่าคืนยั่งมุ่งอยู่ในสถานที่ใดก็มีแต่คนบน่นพระพุทธเจ้าทําประโยชน์ให้โลกมากมายทั้งสามโลกอาถรรพ์ต่างแล้วทำไมถึงไม่หนักขนาดสามโลกนะมันมีจํานวนมากอย่างไรที่เกี่ยวข้องกับพระองค์ซึ่งจเจ็เจียวจิตเป็นภาระแนะนําสั่งสอนแม้ี่สุด ขณะที่จะรินิพพานก็ยังต้องมีสารโลกเข้าไปเกี่ยวข้องมีสุภาธภาปริพาโชคเป็นต้นเข้าไปทูลถามปัญหาถูกพระอนุ์ติดกันเอาไว้กลัวจะเป็นการไปรบกวนพระองค์ให้มีความลําบากในพระกายขณะที่จะรินิพพานแม้เช่นนั้นก็ไม่ทรงปล่อยวางพระเมตตาจึงต้องรับสั่งให้สุธทธาปริพาโชคเข้ามาเนื้อประธานโอวาทย่อยๆแล้ว่อยออกไปประกอบความเพียร สมมสัิสมหมายเวลาได้รับพระอาวาทเป็นที่พอใจจากพระพุทธเจ้าแล้วก็ออกมาบำเพ็ญเพีย <c oughs> รเมตตาได้บรรลุธรรมในคืนวันนั้นเป็นพระอรหันต์องค์สุดท้ายที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนตั้งแต่เริ่มแรกมาจนกระทั่งวันปริพานมีครับสุภัพปริพาชกเป็นพระสาวกอรหันต์องค์สุดท้าย <c oughs> นั่นถ้าพูดถึงเรื่องความเมตตาไม่มีลนละ แม้จะสุดขณะที่จะปริพาน์ก็ยังต้องประทานพระโอาวาทที่เรียกว่ายอดคำสอนว่าห an ันดานอิพิกเวอมันตยามโวพิกเวหะยะธรรมาวะยธรรมาสรฆราปมาเดนะสัมปาเดธะดูก่อนภิสูจทั้งหลายตอนนั้นรู้สึกจะมีแต่ภิสูจทั้งนั้นท่านจึงอาพิคอยอันนี้เราเตือนเธอทั้งหลาย เพื่อจรนาสังขารธรรมซึ่งมีความเกิดความดับอยู่ตามหลักธรรมชาติของมันด้วยความไม่ประมาทเถิดนะเพียงเท่านั้นแล้วก็ปิดพระโอษฐ์เป็นวาระสุดท้ายคำว่าปิดพระโอษฐ์ก็เพิมไม่รับสั่งอะไรต่อไปอีกทําหน้าที่ปรินิพานโดยลําดับลํำดับตั้งแต่ปฐมฌานเข้าปฐมฌานแล้วก็บุติฌานตัดฌานเจตุฌานเป็นลําดับจนกระทั่งถึงอากาสารญจายชนะที่เรียกว่ า, ารูปฌาน สัญญาชนายนะเนสัญญาณาสัญญาชนะอคิณสัญญาชนะเนสัญญาณาสัญญาชนะเป็นรูปฌานสี่แล้วก็ก้าวเข้าสูน่นิโรธจะมาบัตที่เรียกว่าสัญญาเวทนาเนโรธนะั่นดับเวทนาสัญญาเวทนาอยู่ที่นั่นแล้วถอยกลับออกมาเรื่อย ๆ, ๆจนกระทั่งถึงปฐมฌานแล้วเข้าสู่ปฐมฌานอีกพราะก้าวผ่านรูปฌานสี่ คือจะถูกฌานแล้วไม่ไมเสด็จทานไหนต่อไปอีกปริิพัน์ในขณะนั้นเป็นอันว่าหมดภาระในการสั่งสอนจาระภาระของพระพุทธเจ้าโดยสิ้นสุดลงในขณะที่ทรงทําหน้าที่ปริิพาน์ตั้งแต่วันตรัสรู้มาจนกระทั่งถึงวันทําหน้าที่จะปริิพันธ์ในวาระสุดท้านั้นพระองค์ไม่ทรงว่างเลยท่านจึงเรียกว่าพุทธกิทธะนี่พูดถึงเรื่องภาระของพระพุทธเจ้า มากมายเกียงไหรภูตากิจห้าคืออะไรชายันเทศธรรมเทศนังตอนบ่ายสามโมงสี่โมงก่อแสดงทำให้แกประชาชนมีพระชาหมาปัสตร์เป็นต้นปปปอะไระปาโดเซพิกุโอวาดังตอนค่ำตอนสองทุ่มสามทุ่มก่อประทานอุวาแจกพระสง์อัตราเตเทพปัญหากลางปัญหากลาง ตอนหกทุ่มล่วงไปแล้วก็ทรงแก้ปัญหาเทวดาและประธานอุวาสแก่เทวดาชั้นต่างๆปบาปเบวิโลการนังพอเก้าทุ่มปชิมยามทรงเลนยานดูสัตวโลกว่ใครที่จะมีอุปนิสัยสามารถจะบรรลุธรรมอย่างรวดเร็วแต่ชีวิต ปุณณ์อย่างภาษาของเราว่าจะตายไปอย่างง่ายง่ายจะต้องเสด็จไปโปรดคนนั้นก่อนนี่แล้วเหล่านี้เป็นภาระทางนั้นการพิจารณาเรียงยานดูสัตว์โรกก็คือพุทธกิจพุทธทกิจกามาถึงงานของพระพุทธเจ้าอจุเซปินาปาตันจะพระตันชากับเสด็จดุญธรรมมาเสวยนี่เป็นประจำอยู่อย่างนั้นพูดถึงเรื่องภาระ ใครจะในโลกนี้จะมีพานามากอย่างเหมือนอย่างพระพุทธเจ้าลาบถึงสามโลกธาตุเราจะประกอบความภาคเพียรหรือทําหน้าที่การงานทางเล็กน้อยเท่านั้นก็เป็นถือว่าเป็นความลำบากลำบนยิ่งจะภาวนาเพื่ออัดเพื่อทำเพื่อจะนำความสุขเข้าสู่จิตใจให้มีความสงบเงย็นใจบ้างก็ถือว่าเป็นของยากของลำบากไปเสียมีนำำม้ำท่อมต้นอำนาจวัฒนาน้อยไม่สมควรจะทําทั้งหลายเนี่ย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 ผ่านการผ่านสมัยผ่านหน้าที่การงานผ่านความทุกข์ความลํำบากมานานเป็งไรประสบพบเห็นในสิ่งต่างๆได้ผลมากน้อยเย่างไรแล้วได้บวกได้ ล, ลบบ้างแล้วหรือยังผลที่ปรากฏเหล่านั้นมีอะไรบ้างแล้วเสื่อมสูญหายไปไหนเวลานี้ที่เราจะฆ่าต่อไปข้างหน้าเราจะมีอะไรเป็นสิ่งที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจของเราส่วนงานทางโลกนั้นไม่มีสิ้นสุด ท, างงทาําจนกระทั่งถึงวันตายก็ไม่สิ้นสุดต้องปล่อยวางตายจนได้ะ วันตายนั่นแหละถึงจะว่างสําหรับงานของโลกเราเป็นอย่างนี้ไม่ว่าใค ร, ใครทั้งหมดใครอยู่ที่ไหนไม่มีว่างมันว่างได้เฉพาะขณะที่ตายเพราะเหตุใดเพราะความตายมันหนุนอะงานการทั้งหลายต้องปล่อยขณะนั้ น, นถ้าว่าเราจะควายเวลาว่างจะไม่มีเวลาว่างเลยจนกระทั่งนุ่นหละ่ะวันสิ้นลมหายใจถึงจะว่างเพราะว่างเพื่อสิ้นลมในขณะที่ ยังเป็นไปอยู่นี้พอคิดหน้าอ่านหลังอะไรายได้ทั้งภายนอกภายในบรรดาจิตการที่จะเกิดผลเกิดประโยชน์แต่ตนก็ควรจะดีเด่นคนขวายแต่ตั้งแต่บัดนี้จะพราะอย่างยิ่งคือจิตตาภาวนาซึ่งเป็นอาหารสําคัญอย่างยิ่งของใจท่านเรียกว่าธรรมธรรมโอสถนี่แลเป็นเครื่องยายวยาจิตใจให้ปราศจากความพุ่งสร้างวุ่นวายให้เกิดความสงบสุขได้เป็นอย่างดีในบางต้นของการอบรมจิตใจนี่ก็ท่านให้มีธรรมบทใดบทหนึ่งเป็นเครื่องกากับรักษาใจ แม้งังนจะใสายแต่จะเกี่ยวอารมณ์ต่างๆซึ่งเป็นของที่เคยเป็นไปแล้วก่อความทุกข์ให้ตนได้รับความเดืดอดร้อนอยู่เสมอจึงสอนให้ภาวนาเช่นผู้ถึงจะภาวนาพุทธโธหรือธรรมโมหรือสังโโคหรือจะกําหนดอนาปานทัตติโดยตามด้วยพุทธโธเช่นพุทเข้าโทออกอย่างนี้ก็ได้ทั้งนั้นตามจิตนิสัยที่ชอบในธรรมบทใ ด, ดแต่การกําหนดนั้นให้มีความรู้สึกคือพายในจิตใจของตนโดยเฉพาะเช่นกําหนด ลมหายใจเข้าออกก็ให้รู้ขณะที่ลมเข้าขณะที่ลมออกเราจะตั้งลมที่จุดไหนจุดไหนเป็นที่เด่นสำหรับความรู้สึกลมที่มาสัมผัสนั้นเด่นที่ตรงไหนเช่นดั้งจมูกเป็นต้นถ้าเด่นที่ตรงไหนก็ตั้งลมที่ตรงนั้นคือตั้งสติลมที่จุดนั้นลมเข้าลมออกกําหนดให้รู้เดี๋เราจะตามด้วยพุทโธพุทเข้าคือเวลาลมเข้ากับพุทลมออกก็โธก็ได้ให้มีความรู้สึกอยู่โดยเฉพาะกับลมหายใจเท่านั้น ไม่ต้องไปหมายถึงเหตุถึงผลอันใดที่นอกไปจากการทํางานคือกําหนดลมหายใจในขนาดนั้นงั้นเมื่อเวลาสติของเรามีติดต่อสืบเนื่องไปด้วยลําดับติดก็มีโอกาสที่จะได้รอดจากส่วอารมณ์ต่างๆที่เป็นพิษเป็นภัยติดก็จะยังเข้าสู่ความสงบโดยลําดับลําดับแม้ลมหายใจที่เคยหายใจว่าอยากในขณะที่เรากําหนดเบื้องตน้นก็จะค่อยกลายไปสู่ความละเอียดเป็นลําดับลํำดับด บ, บางครั้งจนถึงกับลม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 ซึ้นจากการภาวนาเรียกว่าเป็นผลของการภาวนาก็ได้ผู้กําหนดพุดโทโธก็มีธํนาน็ตก็มีในลักษณะเดียวกันผู้กําหนดพุดโทโธโดยไม่เกี่ยวข้องกับลมก็ให้มีมีความรู้สึกกี่กับคําว่าพุโทโธพุโทโธโดยลำหนักไม่ต้องไประค่าแต่หมายถึงผลว่าจะเกิดขึ้นอย่างไรบ้างถมีคนมาหลอกว่าเวลาภาวนาจวเกิดนิมิตอย่างนั้นมานิมิตอย่างนี้มาเนี่ยเป็นบ้านะเนี่ย คนผู้ดีเขาพูดอย่างนั้นก็มีแต่ส่วนมากคนที่พูดอย่างนั้นไม่เคยภาวนามาพูดเปล่าๆอย่างนนั้นหลอกคนคนก็คอยที่จะเชื่ออยู่แล้วเพราะมันคนในลักษณะเดียวกันแล้วก็เชื่อกั น, นง่ายๆถ้าว่ามีหลักมีเกณฑ์ยอยู่ภายในตัวเองมีเหตุมีผลอยู่ภายในตัวเองซึ่งเคยกระทำในการภาวนามาแล้วจะไม่เชื่อคำพูดเช่นนั้นเพราะเหตุใดเพระพุทธเจ้าจสอนตัดโลกไม่ได้สอนสัดโลกให้เป็นบ้า พระพุทธเจาที่เป็นศาสดาก็ไม่ใช่ศาสดามา้ามาสอนสันโลกจะสอนเพื่อเป็นม้าได้อย่งไงผู้ปฏิบัติธรรมเมื่อปฏิบัติตามหลักธรรมที่ท่านทรงสอนไว้โดยถูกต้องแล้วจะเป็นม้าไปได้อย่างไร <c oughs> เป็นไปไม่ได้เหตุที่จะเป็นบ้านั้นมันเป็นบด้เพราะความแยกจากธรรมคือผิดจากหลักธรรมที่ท่านสอนไว้เช่นกําหนดภาวนาพุทโธพุทโธพอจิตโสงไปรู้เห็นอะไรก็จิตก็เพลินไปตามโน่นเสียจนกระทั่งลืมคําบริกรรมของตนนี่มีทางผิดได้นีหละคนที่ว่าเป็นม้าเป็นบ่อเพราะผิดจากหลักของการภาวนา ผิดจัดหลักของาศาสนานแล้วเอาศาสนาพรายามตีโทษหรือตีเตือนว่าภาวนาทําให้คนเป็นบ้าเนี่ยเป็นอย่างนั้ น, นมีเมื่อเรากําหนดยอยู่เช่นนี้ไม่มีอะไรกําหนดคําว่าพุโทโธพุโทโธก็ให้มันรู้อยู่กับใจของเรานี้ไม่ต้องคิดว่าดภาพเสวรรค์เป็นอย่างนี้นิพพานเป็นอย่างนั้นหรือเทวตาเป็นอย่างนี้อิงพรมโยมยักษเป็นอย่างนั้นนั่นดังที่เราเรียนมาในแบบเห็นในแบบนั่นท่านเห็นด้วยความจริงด้วยญาณของท่าน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 แล้วปากฏว่าลมนี่หายไปเลยเหลือแต่ความรู้ล้วนๆนี่จะเกิดความนี้ตกขึ้นมาภายในจิตซึ่งเป็นเครื่องหลอกตนอีกเหมือนกันจึงได้แก้กรุงนี้ไว้เพื่อให้ได้เข้าใจเมื่อปากฏว่าลมได้หายไปในความรู้สึกแล้วมันจะเกิดความมิตกขึ้นมาว่าเมื่อลมพาไปนี้จะไม่ตายเลอ น, นั่นนี่หลอกไปพออย่างนั้นก็เรียกว่ากลัวตาย เมื่อวิตกขึ้นมานี้ลมก็ปรากฏขึ้นมาเสียเลยได้เพียงขั้นนี้ไมไ่เตลิดละเอียดยิ่งไปกว่านั้นเพราะนั้นเพื่อตัดปัญหาขอ้อนี้เมื่อลมได้ปรัากฏว่าหายไปในขณะที่เราพอนา น, นั้นก็ให้ทําความรู้สึกกับตนว่าลมจะหายไปก็าตามไม่หายไปก็าตามเมื่อจิตยังคลองล่างอยู่แล้วจะไม่ตายเป็นขณะที่เราหลับลมหายไปหายเราเหม็นตานําหนดกดเจนมันเราก็ยังไม่ตายี่ ที่เราภาวนาเรายิ่งรู้ละเอียดยิ่งกว่านั้นว่าลมหายไปด้วยความรู้สึกในการภาวนาของเราน่าจะมีสติยิ่งกว่าการหลักนั้นแต่จะกลับไปกลัวนี่แสดง ว, ว่าไม่ทันกลมายาของกิเลสเพื่อให้ทันกลมายาอันนี้จึงต้องทําความรู้สึกตามหลักความจริงว่าเมื่อลมหายไปแล้วจิตยังครองล่างอยู่ไม่ตายเพียงนี้จิตก็ทะลุถึงความท่านละเอียดจนหายไปหมดทั้งร่างกายและลมไม่ปรากฏในความรู้สึกนั้นเลย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 นี่ท่านเรียกว่าเป็นเอกขัาตาจิตถ้าจิตไม่ชิดเกี่ยวข้องอารมณ์อะไรเลยเหลือแต่ความรู้อันเดียวท่านเรียกว่าเอกคัาตาแปลว่าถึงความเป็นหนึง่งหนึ่งก็คือหนึ่งความรู้นั้นเท่านั้นไม่มีสองกับอารมณ์ไม่มีสองกับคำบริกรรมพาวาอะไรทั้งหมดเพราะในขณะนั้นได้ตลวอยวางโดยสิ้นเชิงเหลือแต่ความรู้ที่ทรงตัวอยู่โดยลําพังเท่านั้นท่านเรียกว่าเอกขัาตาจิตในการทํานาในหนันองนอย่างผู้ปฏิบัติให้ประ ให้ประจักษ์ภายะจิตใจโดยลา ด, ดับถ้าลงได้ทำตามหลักทำกุญแจแล้วไม่ไปไหนต้องเข้าสู่ความจริงคือผลที่จะบึงได้รับจะต้องได้รับตามเหตุที่เราดาเนินถูกต้องแต่ทีนี้จิตของเรามีความสุขมากน้อยเพียงไรเพราะจิตปรากฏเริ่มปรากฏความสงบขึ้นมานั้นเราจะได้สดืดจิตใจของเราทันทีว่าอ้อความสุขเป็นอย่างนี้ เพราะความสุขพ า, านาจิตไม่ได้เหมือนความสุขอื่นในที่เคยผ่านมาเป็นความสุขที่แปลกประหลาดอาจรรพ์ยิ่งกว่าความสุขใดทั้งหมดในโลกนี้เพราะฉะนั้นศาสนาจึงมีมาประจําตลอดทุกวันนี้ไม่งั้นศาสนาถูนหายเปนานแล้วเพราะรสชาติของศาสนานั้นสู้รสชาติของโลกไม่ได้พุทโธรสนิยมก็สู้โลกไม่ได้ความแปลกประหลาดอาจรรย์ใดๆสาระสาคัญก็สู้โลกไม่ได้ศาสนา ล, ล้มไปนานแล้วไม่มีใครสนใจ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 ความมีเวลาเวลานั้นมาเองมากับความพอใจมากับความเชื่อที่เราได้เห็นผลนั้นเป็นพระจักพยานแล้วในเรื่องเวลเวลาก็ดีสถานที่อะไรที่ควรจะทำภาวนาทําความสงบใจหรือทำความเพียรธนาจิตใจไม่ต้องถามเมื่อจิตมีความพอใจแล้วมันส่องแสงหาได้เองทีเดียวนี่คือขั้นหนึ่งของการภาวนาวิธีการภาวนาเป็นอย่างนี้เมื่เราพูดถึงขั้นภาวนาเพื่อความสงบ ทีนี้ขั้นของปัญญาที่เรียกว่าวิปัสนาแท้ดังที่เราพูดกันนั้นเป็นคําพูดติด ป, ปากว่าไปทำวิปัสนาคําว่าวิปัสนาแปลว่าความเห็นแจ้งด้วยการพิจนารณาโดยทางปัญญาแต่เมื่อผู้รวมๆแล้วเรียกว่าภาวนานี่ครอบทั้งสมถานิปัสนาแต่เราจะพูดว่าวิธีทำวิปัสนาก็เข้าใจกันว่าทําภาวนานั่นแหละขั้นวิปัสนาจริงๆก็คือการพิจิิจารณาเมื่อปิดมีความสงบ ร่มเย็นแล้วจิตย่อมมีอุบาต่างๆไม่เมื่อเราภาคิดพาพิจารณาแยกแย ก, แยกแถาดขันเรื่องอนิจจังทุกขังอนิรันตาเราเคยได้อ่านแต่ตำหลักตำหลักว่าอนิจจังอยู่ที่ไหนทุกขังอยู่ที่ไหนเห็นแต่คนนั้นแก่เห็นแต่คนนี้ตายเห็นแต่คนนั้นทักทักหากหลายจากการตัวของเราก็คือตัวทักทักตัวอนิจจังทุกขังอนันต์เหมือนกันโอปัญญายิ่งน้องเข้ามาสู่ตัวของเราแกมาทุกวันทุกวั น, วนตั้งแต่วันตกคลอดออกมาแก่ขึ้นมาเรื่อยๆแกมาเดิมดับแปรสภาพมาเรื่อยนี่เดียวอนิจจัง ความทุกขก์ติดเนี่ยมาตั้งแต่วันเกิดขนาดที่ตกข้อลงมานั้นสลบสลายตัวเองของเด็กนั้นไม่รู้ตัวเลยความทุกข์เหลือประมาณบางรายก็ตายได้ตั้งแต่อยู่ในท้องตกข้อลงมาตายก็มีเพราะทนทุกข์ไม่ไหวเรื่องความทุกข์มันติดเนี่ยมาตั้งแต่นต้นจนมาทั้งบัดนี้เรายังจะสงสัยเรื่องอนิจจังทุกขังตาที่ไหนไปอีกความอนิจจังทุกขังตาอยู่กับตัวเราอย่างสมบูรณ์อยู่แล้วอนิจจังคือความแปรสภาพแปรทุกขณะแม้แต่เวลานี้นั่งอยู่สักครู่เดียวมันก็เหนื่อยแล้วนั่นมันแปรแล้วธาตุาขันแ่ว้ละ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 นี่หมายถึงเรงื่องปัสนาแล้วที่นี่จะแยกให้หาความจริงแยกให้เห็นความจริงที่มีอยู่ในตัวของเราแต่เราโง่ไม่สามารถที่จะมองเห็นความจริงนี้ได้จึงถือนั่นว่าเราอันนี้เป็นเราเพราะอะไรมีความเปลี่ยนแปลงไปบ้างเกิดความเจ้าอกใจกลายาเป็นโรคจิตขึ้นมาภายในตัวเองโรคจิตคือโรควุ่นวายโรคทุกข์โรคร้อนนั่นเองหมายถึงว่าโรคจิตจนกระทั่งถึงเป็นบ้านัม น, ม, นมันหนักมากเกินไปมันก็เป็นบ้ า, มบาไม่มีสติเมื่อเราพิจารณาแยกแยะอีกด้วยปัญญาของเรานี้เราจะเห็น อุบายของปัญญามีความสามารถที่จะตัดกิเลสออกได้เป็นตอนๆหรืนนเป็นระยะๆร ะ, ะ ร, ะะระยะจนกระทั่งสามารถตัดขาดออกได้หมดภายในขันห้าซึ่งยึดเหนี่ยวหรือเกี่ยวโยงกันไปหมดนี่ว่านั่นเป็นเรานี้เป็นของเราจิตกับขันห้าเป็นอันเดียวกันแยกกันไม่ออกเวลาปัญญาได้แยกแยกพิจนารณาด้วยอํำนาจของความฉเฉลียวฉลาดที่เคยพึ่งหัดปัญญามาจนชรริธธนานสามารถแยกออกได้ รู้ก็ทราบว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแต่และอย่างทราบว่าเป็นสิ่ง น, นั้นๆๆแต่ไม่ใช่เราเราไม่ใช่สิ่ง น, นั้นนนแยกกันแล้วโดยลำหนับหนักจนกระทั่งสามารถแยกจิตกับกิเล ส, า ส, าสอามวะซึ่งฝังจมอยู่ภายในจิตนั่นได้ออกโดยไม่มีอะไรเหลือภายในจิตนั่นแหละท่านเรียกว่าพุโทโธแท้ผลของการปฏิบัติจิตตภาวนาเมื่อถึงขั้นสุดท้ายแล้วได้แก่เป็นพุโทโธแท้เช่นเดียวกับพุโทโธของพระพุทธเจ้าแต่ไม่ได้หมายถึงพุโทโธของพระพุทธเจ้าองค์นั้นแท้แต่หมายถึงพุทโธของเรา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 แล้แต่ผู้ที่เจ้าเรมาจนกระทั่งพิสาว่าองค์สุดท้ายบรรณาบรรดาที่เป็นพระฐานแล้วความมือสุดเสมอกันไม่มียิ่งหย่อนต่างกันเลยนี่เหมือนกันตรงนี้นี่แหละคือผลที่เกิดขึ้นจากทำด้วยการภาวนาทําไปโดยลําดับลำดับแจ๊กเกไปโดยลำดับจนกระทั่งแจ้หมดโดยสิ้นเชิงแล้วเหลือความบริสุดล้วนนั่นแลผู้ทรงความสุขอย่างยอดเยี่ยมไม่มีอันใดที่จะเหนือกว่าความสุขประเภทนี้ท่านเรียกว่าโรกุตัลธรรมอันสูงสุดที่คือทำเหนือโลก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 มรรคผลนิพพานที่ว่ามันศูนย์ูนย์ูนย์นไปไหนมันศูนย์จากบุคคลผู้ไปศนใจต่อการปฏิบัตินั่นแหละแม้แต่ข้างพุทธการก็มรรคผลนิพพานไม่มีสําหรับบุคคลที่ไม่สนใจแต่มีสําหรับผู้สนใจที่ปฏิบัติตามหลักพระเจ้าในสมัยนี้ก็เหมือนกันมัชชิมาคือศูนย์กลางต่อความจริงอยู่เสมอศูนย์กลางเพื่อแก้ที่เลสเหมาะสมกับการแก้ทิ่เลส อ, อยู่ตลอดไปไม่ว่าที่เลสตัวใดประเภทใดไม่สามารถที่จะผ่านพ้นอํานาจของ มัชชิมาปฏิบัติฐานนี้ไปได้เลยจึงเป็นธรรมที่เหมาะสมอย่างยิ่งในการแก้กิเลสของสัตว์โลกท่านเรียกว่ามัชชิมาและมัชชิมาสมัยทุกวันนี้กับมัชชิมาตั้งแต่ทั้งพุทธกาลมีต่างกันอย่างไรไม่มีอะไรต่างกันกิเดสก็ประเภทเดียวกันมัชชิมาเพื่อแก้กิเลสก็ประเภทเดียวกันเมื่อเรานำเอาเพื่อปฏิบัติธรรมต่อกิเลสทําไมกิเลสจะไม่หลุดลอยไปได้ด้วยอํานาจแห่งการปฏิบัติธรรมที่ถูกต้องในงามฐานหลักมัชชิมานั้นเล่าจะต้องได้เหมือนกันเมื่อสะดวกความลงแล้วมรรคผลนิพพานไม่มีสําหรับผู้้้วปฏิิบััตเท่านน แต่มีลักษณะผู้ปฏิบัติมีมากมีน้อยตามกําลังของความปฏิบัติของตนมีอยู่ตรงนี้เรียกว่าสวดอารตธรรมตรัสไว้ชอบนิยาเนีตธรรมนําผู้ขึ้นปฏิบัติให้พ้นจากทุกข์ได้โดยดับจนกระทั่งถึงพ้นทุกข์โดยสิ้นเชิงไม่มีอันใดที่จะเหนือจากธรรมห้อยเจ้าไปได้ที่จะเป็นเครื่องแก้ที่เป็นเครื่องแก้ที่เล็ให้หมดคิดไปจากจิตใจเป็นเป็นที่ลงใจในการขึ้นปฏิบัติธรรมยังไม่มีใครที่จะพูดได้ถูกต้องแม่นยํายิ่งกว่าศาสดา เป็นผู้สิ่งกิเลสแล้วพูดตั้งแต่ความจริงทั้งนั้นความโคดความโกงความหลอกคํามลวงต้มถุนอย่างโลกนี้พระพุทธเจ้าไม่นํามาพูดเพราะมันเป็นเรื่องของกิเลสนั้นเรื่องธรรมต้องพูดคงไปคงมาพูดตามเหตุตามผลพูดตามความสัจความจริงผู้ปฏิบัติปฏิบัติตามความสัจความจริงทําไมจะไม่รู้ความจริงแล้วต้องรู้นี่ร่ำใหญ่ก็อยู่ที่ตรงนี้นั่นในเอกสารอย่างการแสดงธรรมนี้ขอให้ท่านทั้งหลายได้นำไปคิดพิจรารณาว่าธรรมที่แสดงปณีมีหนาบางมากน้อยเป็นไรเป็นที่แสดงหูแสดง ใจของท่านทั้งหลายก็ขออภัยด้วยเพราะทํานี้เป็นทปาปาหลังมากคงจะเป็นประโยชน์แก่ท่านผู้กำลังหลายไม่มากก็น้อยเอาละเพียงเท่านี้